มนุษย์เราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแท้ที่จริงร่างกายของมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกันขับรถหากเรามีรถเราก็ต้องดูแลและเวลาจะไปไหนก็ต้องเติมน้ำมันเพื่อออกเดินทางได้ แนนว่ามันจาแรงเท่าไรและแถมยังต้องผ่นชำระภาษีแต่ละปีบางคนหากไม่มีเงินจ่ายสดก็ต้องมานั่งผ่อน้างวดอีกหากเสียก็ต้องซ่อมแซมหาเงินมาตกแต่งเพื่อให้สวยงามทันยุคทันสมัย ดู ng, ดีตามสังคมเพื่อให้สวยงามให้คนอื่นชื่นชมชื่นชอบแม่ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนท้ายที่สุดมันก็จะต้องข่าวไปอยู่ดี làm, ch ch ôm, cho, แ, th sự, đi, และมันก็จะเสียไปอยู่ดีเมื่ออายุการใช้งานของมันหมดรอบแล้ว มันก็เสรหลือแค่โครงเล็กที่ขึ้นสนิมไม่มีใครขับขีร่างกายของมนุษย์เราก็เหมือนกันแต่ละวันเราก็ต้องหาอาหารมากินเพื่อให้เดินไปไหนมาไหนได้ทำกิจการงานได้ และแถมยังต้องหาของ ส, สวยๆงามๆหอมๆ ม, มาประดับตกแต่งเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและให้คนชื่นชอบในร่างกายของเราต้องดูแลหาอาหารดีๆมาทานเพื่อรักษาสุขภาพาเพื่อสุขภาพไม่ดีก็ต้องไปหาหมอ คอยดูแลรักษาเมื่อแก่ชราลงก็จะต้องเดนทุกขับร่างกายเหมือนกันกับขับเลืดเกา่กาๆไปเสียอยู่ข้างทางต้องอยู่กลางลมกลางแดดบางที่ดึกดึเบืดคำ่ำก็ต้องไปเฝ้ามันอยู่เพื่อรอช่างก็เหมือนกันกับคน ที่ต้องคอยดูแลล่างายอย่างขานประคับประคองมันไปจนลมหายใจจะสิ้นแต่ไม่ว่าเราจะดูแลมันขนาดไหนจักลุมแต่งขนาดไหนเราจะต้องหาอาหารที่ขนาดไหนให้มันกิน เราจะต้องดูแลความสะอาดมากมายเพียงใดเราจะตกแต่งขนาดไหนเพื่อให้สวยงามร่างกายนี้เขาก็มีประโยชนในการใช้งานตามการเวลาของเขาอยู่นี่หากแทนเกิดอุบัติเหตุก็จะต้องเสียไปเหมือนดใหม่ใหม่ ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ยุคและใช้งานไม่ได้บางคันถ้าถึงกับยุคทั้งหมดก็ไม่สามารถซ่อมแซมแล้วขับออามาใช้ใหม่ได้เหมือนคันกับโลกมนุษย์ของเราร่างกายของมนุษย์เราที่หากเกิดอุบัติเหตุก็อาจทำให้เกิด ฟานเสียชีวิตได้โดยที่ยังหนุนหนุนสาวๆกันอยู่ถึงแม้ว่าจะตูแลดีแค่ไหมและหากลอแก่แล้วเรากอตายก็เหมือนกันกับรถเก่าๆที่เราต้องคอยดูแลและเป็นทุกอยู่กับมันจนกว่ามันจะเสียไปหลือ ที่ไม่มีใครไปขับอีกเหมือนเส้นกันตัดตายและแม้มีดวงจิตอยู่ในร่างกายนั้นดูแลไปอีกสะดูุดแล้วไม่ว่าเราันเหนื่อยรับมันแค่ไหนดูแลทีแค่ไหนท้าที่สุดมันก็ต้องจากรอบใดอยู่ดีใช่ไหม้า และไม่ว่าเราจะมาเกิดอีกกี่ล้อเกิดอีกกี่ครั้งเป็นคนเลื่อยเป็นคนจนเราก็ต้องมาดูแลมันแบบนี้เป็นทุกขอมันแบบนี้มีภาระแบบนี้กันได้ไหจ๊าเหมือนกันกับคนมีรถเลยเนาะที่สัตว์อ้อมาชื้อคันใหม่มา แล้วก็ต้องหาเงินไปใายสาและต้องดูแลมันใหม่อีกเช่นเดียวกันกับคข่าวไม่รู้ตัดจบยิ่งหากเป็นรถถ้าเราหนื่อยแล้วจากการดูแลเราก็เอาไปขายได้และก็ไม่เื่อมใหม่อีกใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าเป็นไปเงินล่ะ ยังไงเพื่อให้มันห า, ายไปไม่ตายไม่ต้องมีขึ้นมาอีกการที่จะทำให้คาร์เ น, นั้นหายไปได้ไพ้าบทธเจ้าท่านบอกว่าเราต้องมันจ้างความดีจ้าง เช่นเดียวกันกับการไม่จากมีรถอีกแล้วแบบนั้นแหละจ้า